วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งพวกคณะสิทธิ์ลูกหลานที่เคารพในองค์หลวงปู่หลวงปู่เป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายไม่ว่าแต่พวกท่านทั้งหลายแต่หลวงพ่อเองเนี่ยถือว่าหลวงปู่เนี่ยเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของหลวงพ่อเองถือว่าหลวงปู่เนี่ยเป็น บุพก า, ารน์เป็นผู้ให้ธรรมะตั้งแต่นะโมตัสสะปะคะวะโตวิทีกราบไหว้ยอย่างไรหลวงปู่เป็นผู้แนะนําสั่งสอนหลวงพออ่อหลวงพ่อเนี่ยหลวงปู่เองเป็นผู้เป่ากระหมอ่อมเป็นท่านแรกเพราะนั้นหลวงพ่อเนี่ยถือว่าหลวงปู่เป็นบุพก า, ารย์เป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพอ่อเป็นผู้แนะนําธรรมะส่วนพ่อแม่ของหลวงพอ่อนั้นเป็นบุพก า, ารน์ เป็นผู้เลี้ยงดูเป็นผู้ให้กำเนิดแก่หลวงพ่อแต่หลวงปู่ของเราเนี่เป็นผู้ให้ธรรมะเป็นผู้แนะนำสั่งสอนธรรมะในภาคปฏิบัติเรื่องศีลสมาธิปัญญาตามแนวแถวของออพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามแนวแถวของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นหลวงปู่ถือว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งสำหรับหลวงพ่อเอง คณะศรัทธาญาติโยมพระเนรทุกคงก็คงจะไม่แพ้หลวงพ่อเหมือนกันนะเพราะนั้นวันนีนะ้จึงถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งแล้วก็เป็นวันที่หลวงปู่มรณะภาพครอบๆสิบสี่ปีแต่เมื่อสิบสี่ปีให้หลังพวกเราก็สลดสังเวชใจในวันเมื่อหลวงปู่มรณะภาพในคราวนั้นแต่ก่อนหน้านั้นทีนี้ เมื่อหลวงปู่ยังเป็นร่มโพ ร, ร่มใจของลูกหลานของพวกเราอยู่ใครๆขึ้นมาบุกปู่เจ้ากอแห่งนี้ถึงจะเหน็ดเหนื่อยเดินขึ้นมาอพอมาเห็นหลวงปู่แล้วก็หายเหนื่อยท่านก็ทักทายลูกหลานจากนั้นก็สั่งก่อแนะนำสั่งสอนพวกเราได้รับความอบอุ่นอย่างมากหลวงพ่ อ, อภูมอกภูมใจท่านเดินขึ้นมาแล้วมาเจอหลวงปู่หลวงปู่พูดอะไรให้ฟังธรรมะอะไรให้ฟัง ก็เป็นที่พอใจอย่างมากอหายเหนื่อยอแต่พอต่อมาเมื่อหลวงปู่มรณ ะ, ะภาพมันผิดปกติเลอเกินพอเดินขึ้นมาแล้วมาถึงเห็นกุฏิหลวงปู่แล้วมันเย็นเย็นในจิตใจมันจ้อยล้อยยังไงมันมีความรู้สึกจ้อยล้อยอย่างนั้นในในใจยังไงแน่ไม่เหมือนแต่ก่อนอะพราะนั้นคณะศรัทธาญาติโยมหลวงพ่อว่าคงจะไม่แพ้เหมือนหลวงพ่อเหมือนกัน เพราะนั้นวันนี้พวกเราได้มาล้ำลึกถึงองค์หลวงปู่ที่พวกเราจะทำยังไงได้พวกเราก็จะแสดงความกตัญญูกตวเวทีตาต่อแทนบุญคุณของท่านเหมือนกับวันมาฆบูชาวิสาขาบูชาอย่างนั้นวันวิสาขาบูชาอย่างนั้นเพราะพระเจ้าถึงจะปรินิพานไปนานถึงสองพันกว่าปีแต่พวกเราจะก็ไม่รู้จะทดแทนพระคุณของท่านได้อย่างไร ถึงวันที่สาขาบูชาพวกเราก็ได้น้อมจิตน้อมใจถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาด้วยดอกไม้หอมอๆเท่าที่มีถูบเทียนจุดบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อบูชาพระคุณของท่านที่พวกเราได้นำพระธรรมคําสั่งสอนของของท่านมาประพฤติปฏิบัตินี้ก็เหมือนกันพวกเราได้นำธรรมคำสั่งสอนขององค์หลวงปู่ล่า นำมาประพฤติปฏิบัติท่านสอนอย่างไรคำพูดของท่านพวกเราคงจะถึงใจหรือจำได้ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ล่าได้สอนเราอย่างไรแต่สหลวงพ่อ เ, เต็มใจเต็มหัวใจว่างั้นที่ท่านได้สอนตั้งแต่เด็กแต่เล็กแต่เด็กน่ะาจะว่าไปที่ท่านอาจารย์พระครูที่ประกาศนะรบอกว่าหลวงพ่ออินเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของหลวงตู่อันนี้หลวงพ่อ บอกว่าใช่ใช่ว่างั้นถเถะเนอเพราะหลวงปู่ที่ท่านมาจากปู่เก้าปี2500อท่านมาเดือนมกราในยุคนั้นพอเดือนมีมนาหลวงพ่อสอบเสร็จก็ขึ้นมาเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เลยเพราะนั้นสมัยนั้นก็มีหลวงปู่หลวงตาก็ล้มหายตายจากไปหมดแล้วครูบาทั้งหลายก็ล้มหายตายจากไปหมดแล้วเพราะนั้นหลวงพอ่อถ้าจะว่าไปแล้วกัเนี่ย เป็น ล, ลูกศิษย์รุ่นแรกของหลวงปู่ล่าอ่ารุ่นแรกเพราะั่นแหละอันนี้หลวงพ่อไม่ปฏิเสธจริงอย่างนั้นจริงๆฮะเพราะเป็นเนนของหลวงปู่ตั้งแต่ปี 2,500 ันหานะอนนั้นฟอให้ศรัทธา ญ, ญาติโยมได้ฟังดูซิว่าหลวงพ่อจะเล่าประวัติหลวงปู่ให้ฟังเพราะลูกหลานเกิดใหม่ใหญ่ทีหลังพวกเราอาจจะหลงลืมก็ได้หลวงปู่มาจางไหเป็นคนที่ไหนอย่างไรแต่พวกวรวก็รู้ว่าเป็นคนเมืองอุดร น, นะ แต่หลวงพ่อจะเท้าความให้แก่พวกเราได้ศึกษาอีกทีนั้ปีหนึ่งพวกเราจะได้ฟังหลวงปู่ว่าท่านเป็นมาอย่างไงท่านปฏิบัติตนอย่างไรนะหนะลวงพ่อจะได้กล่าวให้แก่พวกเราเท้าความเป็นประวัติของหลวงปู่นะประวัติหลวงปู่ล่าเขมะปัตโตนามชายาวันเขมะปัะโตหลวงปู่เกิดเมื่อวันที่สิบเก้ากุมภาพันธ์พุทธศักราช 2,454 เวลาเช้าตรงกับวันจันทร์ขึ้นสามค่ำเดือนสี่ปีกุลณบ้านกุศะตำบลกุศะอำเภอหมักแข้งจังหวัดอุดรธานีโยมบิดาของท่านชื่อคูนมันดาของท่านชื่อแพงท่านมีพี่น้องแปดคนหลวงปู่ของเราเป็นคนสุดท้ายจึงมีนามว่าล่า ขวันลูกล่าหรือลูกสุดท้ายนะหลวงปู่บีอุปนิสัยไฟธรรมตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กๆท่านบอกว่าเมื่อท่านอายุได้สิบสองขวบโยมบิดาของท่านพาไปพบพระอาจารย์คำพาซึ่งคุ้นเคยกับโยมบิดา หลวงพระอาจารย์คำภามาทีง่งมาพักที่หัวนาของท่านนะมาพักที่หัวนาท่านรู้จักโยมบิดาของหลวงปู่หลวงปู่เป็นเด็กได้เข้าไปกับโยมบิดาได้เข้าไปกับโยมพ่อของท่านได้ปฏิบัติรับใช้พระอาจารย์คำภาด้วยความประทับใจในปฏิปทาศีลารวัตของท่านอย่างมากเมื่ออายุได้18ปปีได้เป็น ได้บวชเป็นสั ม, มนเนรที่วัดบ้านนะบวชเป็นบวชเป็นสั ม, มนเนรสามปีก็ลาสิกขาออกมาคัดเลือกทหารแต่ไม่ถูกนะไม่ได้เป็นทหารอายุครบพระก็บวชอีกเป็นพระหนึ่งทันษาท่านก็ได้ลาสิาฐ์ขานะพอบวชเป็นพระเสร็จแล้วหลวงปู่ก็ได้ลาสิกขาจากนั้นก็ได้เป็นคารวาดเต็มตัวที่นี่แต่งงานมีครอบครัวมีลูกอ่า หลายคนสามสี่คนท่านเกิดความต่อมาภรรยาของท่านในมรณะภาพหลงท่านก็ได้มอบสมบัติให้แก่ป้าแก่ลุงและก็มอบลูกของท่านให้แก่ป้าคือเป็นพี่สาวของของท่านพี่สาวภัญยาของท่านให้รับลูกไปเพราะพี่สาวของท่านไม่มีลูกท่านก็เลยมอบลูกให้พี่สาวพี่ เผยของท่านจากนั้นท่านก็บวชนะออกบวชเพราะท่านเกิดความสลดสังเวชใจอย่างมากหลวงปู่จึงได้ตัดจิ้งใจบวชเป็นครั้งที่สามแต่การบวชของหลวงปู่ในครั้งนี้แปลกแตกต่างกว่าครั้งก่อ น, อนเพราะเห็นทุกเห็นโทษสลดใจท่านได้อบวชในครั้งนี้เอไว้ เลิสังเวทใจเพรเห็นความความไม่เที่ยงในครอบครัวทั้งจีที่อยู่ด้วยกันภรรยาก็มาจากไปเนี่ยท่านเกิดความสฉลดกรสังเวทใจบวชในคราวนี้แปลว่าบวชแบบแบบตั้งใจบวชเพื่อว่าเห็นโทษในวัตะสงสารปีพศ .86 ท่านบวชนะอายุของท่าน32ปีบวชเป็นพระมหานิกาย บวชได้ 2, สองพันษาในใจของหลวงปู่ออก็ย้อนอดีตสมัยเป็นเด็กไปกับพ่อพ่ อ, อไปกับพ่อพ่อพาไปพบกับพระ อ, อาจารย์คำพาที่หัวหนาสมัยนั้นอายุได้สิบสองขวบบวชคราวนี้เราจะเป็นพระกรรมฐานจึงได้เข้าไปกราบลาพระอุปชาไปหาท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีจูมพันธุโะแต่นี่เข้าไปหาพระธรรมยศแล้วนะทนี้ เจ้าคุณธรรมะเจดีในท่านอยู่วัดโพธิสมพรเป็นเจ้าคณะปกครองฝ่ายสงฆ์ธรรมยุทธ์ขอจติเป็นพระธรรมยุทธการบวชในครั้งนี้เพื่อหวังพ้นทุกข์ในสงสารอย่างเต็มที่ท่านได้บวชเป็นพระธรรมยุทธดังตั้งใจท่านบวชวันที่สิบห้ากุมภา พุทธศักราช 2,488 เวลา 13.15 นพันศาแรกท่านได้จำพันศาอยู่วัดหนองน้ำเข็มจังหวัดอุดรจังหวัดอุดรหลวงพ่อบุญมีและอาจจะเป็นคนสอนธรรมะเบื้องต้นแต่หลวงปู่ท่านก็เคยภาวนามาตั้งแต่สมัยเป็นครวาดกำหนดลมหายใจเข้าออกบริกรรมพุทโธเป็นหลัก ออกพรรษาแล้วท่านได้ออกผู้ดงไปกระสะหะธรรมมิกเดินทางมุ่งมั่นต่อองค์หลวงปู่มั่นที่บ้านที่วัดป่าบ้านหนองผืออำเภอพหล น, นิคมจังหวัดสกลนครได้ศึกษาธรรมะอย่างเต็มใจและถึงใจพอใจในการได้มอบกายถวายตัวเป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นจนหลวงปู่มั่นมรณภาพ ปีพศ2492ที่วัดป่าสุทธาวาสสกล น, นครท่านก็ได้เดินทางไปภูเก็ตจำพรรษากับหลวงปู่เทศเทศลังศีวัดหินหมักเป่ง น, นี่แหละคือชีวิตของหลวงปู่ของเราถ้าจะว่าไปแล้วก็น่าศึกษาเพราะเหตุไรเพราะหลวงปู่ของเราเป็นผู้ใฝ่ในการศึกษาการบวดในครั้งนี้ ท่านมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงที่ท่านได้เสียสละในการบวชเพราะท่านเห็นความแก่ความเจ็บความตายเห็นความพัดพาในตระกูลในครอบครัวของท่านเพราะนั่นท่านจึงได้บวชในคราวนี้ไปว่าบวชเอาจริงจังจากนั้นท่านก็ได้มาศึกษาธรรมะกระองหลวงปู่มั่นจูหลวงปู่มั่นหลายปีระหว่างงานหนักๆทั้งหลายทั้งปวงอยู่กับหลวงปู่มั่น หลวงปูล่ลานรับหมดในปฏิปทาของท่านท่านเป็นผู้บุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจจริงๆ เ, เลิศละออกผู้รงสมัยก่อนที่ท่านมาอยูอ่พอออกจากท่านไปอยู่วัดจังหวัดภูเก็ตนะสองสามพันสาจากนั้นท่านก็ได้ย้อนกลับขึ้นมาับมาหาหลวงตามหาบัวหลวงตามมหาบัวสมัยนั้นท่านก็มาจำพรรษาที่บ้านห้วยทราย มาอยู่ที่บ้านห้วยสาย5ปีนะอยู่วัดหลวงปู่จามเนะี่ยหลวงปู่ล่าก็ได้มาจำพรรษากับหลวงปู่มหาบัวหลวงตามหาบัวใน 3, สามพรรษาจากนั้นท่านก็หลวงตามหาบัวก็ได้ออกจากบ้านห้วยทรายไปรับโยมมารดาของท่านที่จังหวัดอุดรที่บันตาจากนั้นโยมมารดาของท่านก็ได้บวชเป็นชีจากนั้นท่านก็ไปลงไปพาไปจังหวัดจัทนทะบุรีเนี่ยที่วัดอะไรสถานีทดลอง จังหวัดจันทบุรีแล้วไปจําพรรษาที่นุ่นจันทบุรีพรรษาหนึ่งจากนั้นโยมบรรดาของหลวงตาก็ได้อยากจะกลับมาบ้านหลวงตาก็มาสร้างวัดป่าบ้านตาปีพศ2499นะถ้าหลวงพ่อจําไม่ผิด2499หลวงตามหาบัวสร้างวัดป่าบ้านตาแต่ทีนี้หลวงปู่ล่าเนี่ยก็ท่านก็จําพรรษากับหลวงตา อออกจากบั้งห้วยทรายลวงตาไปแล้วจังก็จังจำพรรษาที่ห้วยทรายพรรษาหนึ่งจากนั้นท่านก็นมาจำพรรษาที่ที่ภูเก้าปี2499พอปี2500หลวงปู่ล่าได้มาจำพรรษาที่วัดปู่ป่าภูเจ้า ก, ก่อแห่งนี้ไปสมัยนั้นมีตะไคร่ป่าเป็นสตฐานที่กันดานมากอย่างพวกเราท่านทนหลายได้เห็นเนี่ยที่เห็นหลวงปู่คอน้า แต่บางคนเ้าเรียกสับอะไรเพราะว่าหาบน้ำไม่ใช่หาบนะเาเรียกว่าคอนคอนน้ำคือตามพระวินยัยถ้าจะเอาปิดทั้งใส่ทั้งสองข้างผิดวินยัยนะปรับอาบัต ท, ทุกกฎในพระวินยัยภิกษุหาบสิ่งของคือสมัยก่อนอพระภิกษุขาบบริขานตัวเองเอใช้น้ำหนักมากเกินไปทั้งสองข้างจนหลังหักเหมือนกันกระดูกหลังหัก พระพุทธเจ้าบัญญัติขีนายคือว่าพิกสุใดก็ตามถ้าหาบของมีคือของทั้งสองข้างทั้งหน้าทั้งหลังด้วยเนี่ยเรีว่าหาบเท่านั้นเองเนี่ยมันกลึ่นกันนะว่าหาบถ้าหาบของเนี่ยปรับอบัติทุกกฎเ่ยเว้นไฟแต่เทินศีรษะหรือแบกหรือตะภายหรือคอนนีก็ว่าคอนคำนี้ก็คือใช้ไม้ยาวๆไปข้างหน้ามันก็คล้ายๆหาบนั่นแหละอแต่ว่าคอนไม่ให้มีของอยู่ข้างหน้ามีแต่ของอยู่ข้างหลังอย่างรูกปูนะ ที่พวกเราเห็นเนี่ยอันนี้เรืว่าคอนนะคอนน้าขึ้นเขาเน่าได้ปิบข้างเดียวแนตะ่ข้างข้างหน้าก็ฟีวพรางั้นแหละไม้มีแต่ไม้หนักหนักขึ้นฟีไปทั้งหน้ามีแต่ข้างหลังเป็นเรือบกคอนน้ำนี่แหละหลวงปู่อยู่ตั้งแต่ปี2500อยู่ด้วยความธุระกันดานจริงๆหลวงปู่ไม่ได้มุ่งหวังอะไรมีแต่มุ่งหวังพ้นทุกท่านไม่เคยติดต่อไปหาญาติท่านเลยสมัยหลุกพ่ออยู่ท่านไม่มีไม่เคยมีจดหมาย ถึงลูกถึงหลานถึงวงสาคนาญาตของท่านพอต่อมาเนี่ยพอบ้านเมืองเจริญรถราเขามาแล้วลูกหลานจึงสืบสอบหาว่าหลวงปู่ล่าอยู่ที่ไหนจากนั้นเขาจะได้เดิมาพบมาเจอที่นี่ลูกหลานจึงได้มาเกี่ยวข้องกับองค์หลวงปูนะ่นี่แหละหลวงปู่อยู่แบบสมถะจริงๆอยู่แบบโดดเดี่ยวจริงๆอยู่แบบโดดเด็นจริงๆ หรทั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติจิตจวัดข้อวัดหลวงปู่เนี่ยเคร่งครัด เ, เป็นผู้สันโดษถ้าว่าสิ่งไหนก็ตามแต่ถ้าว่าผู้ใดเอามาให้โดยเฉพาะยางยิ่งเอมาถามบัตรถามเบอร์เนี่ยโอ้หลวงปู่เนี่ยเหมือนกับเอาไฟมาจี้หลวงปู่แล้วไ ง, งเถอะโดดท่านทีเดียวแล้ัไ ง, งเถอะหลวงพ่อสมัยเป็นเนนน่ะคนสมัยนั้นก็เหอะใช่ไหมเรื่องบัตรเรื่องเบอร์เนี่ยอ เวลามาขอเบอร์กับหลวงปู่หลวงปู่โอ้โหถ้าใครมาเนี่ยมามาเห็นเห็นแล้วแปลกแตกต่างขึ้นมาเนี่ยหลวงปู่จะถามมาหาเบอร์เลยเนี่ยเขาก็โกหกใช่ไหมไม่หลวงปู่ผมไม่ได้เห็นได้ยินแต่กิจที่ซัก็มากราบมาไหว้หลวงปู่เจีงเหรอเจียงท้าปูเอา้เจอาจริงหันหน้าไปทางพระประธานคือพับในถ้ำ ม, มีพระประธานใช่ไหม หลวงปู่เขานั่งอย่างที่หลวงปู่นั่งเนี่ยนั่งรูปหลวงปู่นั่นแหละเอาหน้าไปทั้งประธานเขาก็หันหน้าไปพระประธานอย่างที่หลวงปู่บอกข้าพรเจ้าอาว่าตามอ้มต้องบอกข้าพระเจ้ามานัชสถานที่นี้มานัชสถานที่นี้มาหวังเพื่อหวังอัดหวงังทำหวังอัดหวังทำไม่ได้มาหวังบัดรบัดหวังเบอ้อ เ, เ, เงียบเก็บแรงงานเฉยเออ หลวงปู่แน่อแน่แน่มันไม่จริงนะเออพราะว่าหลวงปู่จะพาสมาทานก่อนเนี่ยถ้าว่าเมาหวังบัตรหวังเบอร์แล้วขอให้เขาไปเจ้าจิบหายล่มจมล็อกแต่นานเลยสิสมาทานหลวงปู่พาพูดนะเงียบเก็บละโอ้เนยแหละเออมันไม่มาจากมันไม่มาจากใจจริงจริงมันมีเลขมีนายอยู่เนี่ยมันมาหวังบัตรหวังเบอร์ เดี๋ยวเราพูดอะไรออกไปมันจะจับตีใส่เลขใสเบอร์ไปหมดเนี่ยพวกนี่ฮะหลวงปู่ก็ดุอย่างนั้นโดยพาะอย่างยิ่งเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราจะไม่เห็นป้ายของท่านที่เขียนไวนะ้น่ะมาขอเลขเขตหัวพระเน่ยท่านว่ายอย่างนั้นเพราะนั้นขอให้พระลูกพระหลานพระน้องพระนุ่งทุกองหน้าอายึดแนวแถวของหลวงปู่ของเราเป็นหลักถ้าไปอยู่นสถานที่ใดหลวงปู่บอกว่า เรื่องบัตรเรื่องเบอร์นี่ยอย่าไปบอกนะอย่าไปทำนะอบายยมุกเหตุเครื่องจิบพายนะถ้าวัดลูกหลานผู้ใดไปทำอย่างนั้นไปว่าเดินทางไปสู่นรกตกใหม่ทําย่างั้นนะถ้าไม่มีอะไรจะกินให้กินใบไม้แห้งให้กินดินนี่ดีกว่าที่จะกินเงินบัตรเงินเบอร์ที่เขาเอามาให้หลวงปู่พูดขนาดนั้น เ, เพราะฉะนั้นขอให้พระลูกพระหลานพระน้องพระหนุ่นทั้งหลาย ให้ดำรงทรงาศาสนาอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ของเราเป็นตัวอย่างนะเพราะทุกวันนี้หลวงพ่อเองก็ได้ยินสื่อต่างๆหรือคณะจัตพ ท, ทาทยาติโรมแต่ละวีแต่ละวันเขาก็มาพูดให้ฟังเมื่อเขาได้เห็นอะไรได้ยินอะไรในสื่อเขาก็มาพูดให้ฟังว่าพระเป็นอย่งนูนพระเป็นอย่างนี้แต่ตามไม่จริงหลวงพ่อว่าพระมันก็เป็นอย่างที่เขาว่าจริงๆนั่นแหละแต่ว่าพระที่เขามาบวชในพระพุทธศาสนา ถ้าหากว่าเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจจริงก็คงจะไม่เกิดอย่างนั้นแต่บางครั้งพระที่เขามาบวชนั่นก็บางครั้งก็เหลือขอคําว่าเหลือขอคํานี้คืออะไรพวกเราก็คงจะพอเข้าใจบางทีก็เป็นนักลงนักล ง, น, กลงนักเรียนหัวไม้อยู่คราวญาญาติโยมไปแล้วก็พ่อแม่พยายามจะผลักดันเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาพอเขามาบวชแล้วก็ไม่ได้ตั้งอกตั้งใจจริงไม่ได้ตั้งใจจริงไม่ตั้งใ จ, ใจประพฤติปฏิบัติจริง พอเขาหมาะมาบวชแล้วก็บวชแต่ได้แต่ศีรษะกับผ้าเหลืองเท่านั้นเองจิตใจไม่ได้บวช ด, ด้วยผลในสุดก็ออกนอกลู่นอกทางอสิ่งที่ไม่เคยทําสิ่งผู้พระพ่ อ, พอแม่เจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสสอนไม่ให้ทำก็ทําทออพอทําเข้าไปก็เดือดร้อนเลยเดือดร้อนพุทธศาสนาผลในสุดพวกชัดทาทยญาติโยมพุทธบริษัทก็ปัญ น, นามเลยสิพระไม่ดีอย่างพระไม่ดีอย่างนี้แต่ตามไม่จริง พระมันก็ไม่ดีจริงนั่นแหละแต่ถ้าเราสืบสอบดูแล้วพระองค์ที่เขามาบวชนั้นแต่คารวะญาติโยมก็เป็นอย่างไรเขาอาจจะเหลือขอพ่อแม่เอามาอยู่วงสาคณะญาติาเอาไม่อยู่แล้วก็ได้เอามาบวชมาบวชแล้วก็ไม่อยู่ในกรอบในศีลในธรรมนี่ขอจิงเหล่านี้ขอฝากไว้กับพระลูกพระหลานพระน้องพระนุ่ทงทั้งหลายให้คิดว่าถ้าหากว่าเราทาตนอย่างนี้ถ้าเราเป็นครวะ เราจะกราบเราลงไหมเราจะยินดีถวายจิตตุปัจถวายอาหารให้แก่เราไหมถ้าเราทําตัวอย่างนี้ให้พวกเราถามอยู่ตรงนี้พวกเขาเรามันเหมือนกันอย่างที่ผมอธิบายเรื่องศีลห้าอย่างน <Yeah. S 1> านาเนี้ยเนี่ยว่าศีลห้านี่ยควรทำยังไงเนเขาเราอันนี้ก็เหมือนกันคณะสัพทายาติโยมผู้ที่เขาเคารพนับถือเลื่อมใสเขาก็ต้องดูว่าพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างไร ถ้าว่าเป็นเนื้อนาบุญเขาก็ยินดีที่จะถวายในจะตุปัจจัยถวายแล้วก็สบาย อ, อกสบายใจเพราะเหตุใดเพราะเป็นเนื้อนาบุญแต่ถ้าว่าพระสงฆ์ทําตนไม่ดีพอถวายไปแล้วเขาก็แปลลวอยู่ในกิจในใจเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคิดไปอยู่เสมอว่านี่แหละในเมื่อเราเป็นพระเอเราเป็นพระถ้าเราเป็นครวา่าเราจะถวายจะตุปัจจัย ส่งเสริมออมอบเกินครบจะถวายเจตุปัจจัยอย่างเรานี้ได้ไหมเราจะกราบพระอย่างเรานี้ได้ไหมถ้าเราเป็นฆราวาสถ้าเร า, ารู้ว่าเราประพฤติตนอย่างนี้เราจะกราบเราลงไหมถ้าเราเป็นฆราวาสให้ถามตนเองมาอยู่เสมอถ้าพวกเราถามตัวเองมาอยู่เสมออย่างนี้แปลว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท อ, อไม่ว่าแต่ฆราวาสนะคณะกัาาตถายาจโยมกูเหมือนกัน เป็นข้าราชการทุกระดับนะเราได้กินภาษีเงินภาษีพี่น้องประชาชนเราได้เงินเดือนขึ้นมาเนี่ยเรามาได้มาจากใครได้มาจากภาษีพี่น้องประชาชนเราได้รับเงินเดือนทุกเดือนเนี่ยให้เราถามตนเองเหมือนกันว่าถ้าว่าเราทำงานอย่างนี้ถ้าว่าเราเป็นเจ้าของของเงินเราจะกล้าจ้างเราไหมอันนี้ก็ให้ถามเราอีกเหมือนกัน คือทุกคนต้องต้องให้ถามตนเองถ้าเราเป็นเจ้าของเงินเราจะกล้าจ้างเราไหมถ้าเราทํางานอย่างนี้แต่ถ้าว่าเราทำเอ้ยถ้าเราเป็นเจ้าของของเงินอะ่ะเราจ้างแน่ถ้าเราทํางานอย่างเราแปลว่าเราทํางานเต็มที่ไม่ขาดตกบกพร่องแต่ถ้าว่าเราได้ได้เงินเดือนวันละเท่าไหร่วันละสองสามพันบาท แต่วันนี้เราไม่ได้ทําอะไรเลยทะเลทรายเดี๋ยวก็ไปคุยคนนั้นเดี๋ยวก็ไปคุยคนนี้เดี๋ยวก็เดินไปเดินมาไม่ได้ทาําเงินไม่ได้ทํางานอะไรเลยเที่ให้เป็นประโยชน์ที่เขาจ้างให้เขาเราทําเราทําเป็นอย่างเนี้ยถ้าเป็นอย่างเนี้ยวันนี้แปลว่าเปล่าประโยชน์เราไม่ได้ทํางานให้แก่พี่น้องประชาชนไม่ได้ทําประโยชน์ให้แก่ประเทศ ช, ชาติบ้านเมืองเลย อ, อันนี้ก็ขอฝากไว้กับทุกหมู่ทุกกล่าว พี่น้องประชาชนชาวบ้านก็นเหมือนกันการอยู่ด้วยกันต้องคิดถึงใจเขาใจเราถ้าเราจะเป็นดาไปว่าไปกล่าวเขาเราต้องคิดเจ้าก่อนถ้าเขามากล่าวมาว่ามาดาเราอย่างนี้ที่เราไปพูดให้แก่เขานะเรามีความรู้สึกอย่างไรอันนี้ก็ขอให้ถามตนเองว่าอยู่เสมอถ้าพวกเรามีการทบทวนไข้ควรดูตนเองอยู่อย่างนั้นเสมอ หลวงพ่อว่าความสงบพร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นพระสงฆ์ก็จะอยู่ในกรอบของศีลธรรมญาทัดทายญาติโยมเคารพนับถือเลื่อมใสกราบไหว้ด้วยความภาคภูมิใจเพราะพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบคารวะญาติโยมทำไม่ได้ทำอย่างพระสงฆ์เนี่ยฉันมือเดียวอยู่คนเดียวนั่งภาวนาทำจิตใจให้สงบมีเมตตา เห็นอานิจังทุกขังอนัตตาตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าที่แนะนำสั่งสอนพระสงฆ์อยู่ในกรอบของศีลธรรมจริยธรรมที่ดีเป็นผู้หวังทนทุกในวัฏสงสารอันนี้แปลว่าขรรวา ญ, ญ, ญายงกล้าเพื่อความสนิทใจ เ, เป็นพรรชการพวกพูเราก็เช่นเดียวกันถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วมีแต่ความสงบพร่มเย็นเป็นสุขในชุมชนของพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท, ท่านนะที่ บวชที่กล่าวในทางนี้หลวงพ่อไม่ได้กล่าวให้แก่บุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งกล่าวเป็นภาพรวมให้แก่พวกเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาและก็จริงไหมที่หลวงพ่อพูดไปนี้หลวงพ่อเอาความจริงมาพูดเพราะนั้นให้พวกเราให้โอปนญิโกทรมัชทมคำสอนของพระพุทธเจ้าอปัยิ โ, ยโกให้ลาลึกให้น้อมนึกถึงตนเองว่าข้าพเจ้าทาอย่างนี้มันเป็นอย่างไร ถูกต้องไหมเป็นธรรมไหมถูกในถูกในกรอบของศีลธรรมไหมนี่แหละถ้าว่าพวกเราลำลึกอยู่อย่างนี้เสม อ, อความสงบรบ่อมเยนเป็นสุขในชุมชนของพวกเราก็จะไม่มีปัญหาอะไรราบรื่นไปหมดทุกอย่างแต่โดยมากมีแต่ชี้คนนั้นอาจจะทำความดีคนนี้่า จ, จะทำความดีมีแต่ชี้ออกไปข้างนอกนะ ตัวข้าพเจ้าจะเป็นอย่างไรไม่มีใครชีร้เข้ามาหาตัวเองแต่พวกเรามองเข้ามาหาตัวเองแล้วนั่นแหละจะเห็นจุดบกพร่องจุดที่ไม่ถูกต้องจุดที่ไม่เป็นธรรมจุดที่ตัวเองขาดตกบกพร่องจะได้เห็นแต่ถ้าเรามองไปแต่ที่อื่นแล้วไม่มองตัวเองนั่นแหละมันหงมันมองแต่คนอื่นเหมือนกันแต่มันมองตัวคนอื่นมันได้ไม่ได้มองตัวเองอันนี้ไม่ถูกต้องตามหลักธรรมคําสอนของ พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนหลวงปู่ฟัน่นท่านบอกว่าเนนะีเวลาชี้นิ้วไปคนอื่นนะชี้นิ้วเดียวทําไานนะเอแต่ว่าสามนิ้วนะ่ะมันชี้มาหาตัวเองนะให้สังเกตดเูเวลาชี้นิ้วคุณไม่ดียังงีคุณไม่ดีย่างนี้แต่สามนิ้วนะ่ะมันมามันชี้มาหาตัวเองทนะ่ะอ่าเป็นยังไงท่าดี้ดีไหมไม่ดีที่ไม่ดี เหมือนเขาอีกตั้งสามนิ้วนะมันชี้มาหาตัวเองฮเพราะนั้นหลวงปู่ฟัน่นท่านชี้อย่างนั้นให้เราพวกเราไทยควรพบทวนดูชืี้ว่ามันจริงอย่างที่หลวงปู่ที่ท่านพูดไหม่นี่แหละก็พร้อมกันอันนี้ก็คือการเป็นอยู่ชุมชนและสังคมถ้าพวกเรามีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมในชุมชนสังคมแล้วชุมชนสังคมพวกเราก็จะร่มเย็นเป็นสุขและก็พร้อมกันอย่าลืมนะ หลวงปู่ล่าของเราท่านเห็นอะไรท่านจึงได้บวชท่านจึงเกิดความสลดสังเวชใจท่านก็เห็นว่าภรรยาของท่านอยู่ด้วยกันด้วยความรักเมตตาอารีต่อกันร่มเย็นเป็นจุกแต่มาจากไปต่อหน้าต่อตาป่วยล้วกัมาลนะภาพไปอันนี้ทำให้ท่านเกิดความสลดสังเวชใจอย่างมากนี่แหละมันเข้าเข้าทำนองที่ว่า พระพุทธเจ้าทําไมจึงหนีออกไปบวชนะพระพุทธเจ้าทําไมจึงหนีออกไปบวชทั้งที่ท่านมีความสุขสุขยิ่งกว่าพวกเราท่านทั้งหลายมีอยู่ในเวียงในวัง อ, อมีเสนาอํามาจ ร, ราชสวเอกบริษัทอตึก อ, อพระราชวังสามระดูมีคงมีคงัมคงมีทหารตำรวจรักษาเวรยามพร้อมหมดทุกอย่าง แต่พระพุทองค์ว่ารักษาได้แต่ภายนอกรักษาชีวิตของพระองค์ไม่ได้รักษาไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่มีใครจะรักษาได้ถ้ารักษาได้ปู่ย่าตาทวดของพระองค์บรรพบรุษของพระองค์ก็คงจะไม่จากไปทิ้งแต่สมบัติให้แก่ลูกหลานสืบทอดกันมาจนเป็นหลายหลายทอดหลายหลายโชคโคตเราก็คงจะเช่นนั้นเดียวเหมือนกันนี่แหละ พระก้าวที่ท่านบา ร, รมีของพระ อ, องค์ได้ประพฤติปฏิบัติมายาวนานแส่สีอสมัยกำไรแสนมหากรัปบารมีของท่านเต็มเปี่ยมที่ท่านได้ตัดสรู้เพราะ น, นั้นความคิดของท่านสติปัญญาของท่านจึงเหนือกว่าคนทั้งหลายบา ร, รมีของพระ อ, องค์เหนือกว่าคนทั้งหลายเพราะ น, นั้นท่านคิดอะไรก็คือคิดออกไปเป็นสิ่งเป็นธรรมทั้งหมดอันดับแรกท่านก็เป็นครวา่า เป็นพระเจ้าแผ่นดินพระบิดาเขามอบ ร, ราชสมบัติให้ในใครเขาจะปลูกฝังให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเพื่อจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิคือหมายมั่นปั้นมือระเกิดเพราะว่าพวกพราหมณ์มาทํานายทายทักเขาทํานายทายทักเป็นสองคำว่าคําหนึ่งเมื่อเป็นค า, ารวาสจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิถ้าไม่ได้บวชแต่ถ้าออกบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้า เป็นศาสดาเป็นต้นพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในโลกอันนี้คือพวกพราหมณ์พวกดวงหัวเห็งของพระพุทธเจ้าเพราะเหตุไรหัวเห็งพระพุทธเจ้าจริงดีก็เพราะบา ร, รมีของพระองค์ได้สั่งสมมานมนานในอดีตชาติเพราะนั้นคนที่มีบุญมาแล้วหัวเห็งก็ดีบา ร, รมีดีเพราะเหตุไรเพราะท่านสั่งสมมาดีแล้ว แต่นี้พระพุทธเจา้าท่านก็ชาชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนะท่านเจเนงสวยครองราชที่กรุงกบิลละพัทแต่พระองค์ก็คิดเห็นคนแก่แล้วก็เห็นคนเก็บแล้วก็เห็นคนตายต่อหน้าแล้วก็เห็นส ม, มณะคือนักบวชเออถ้าว่าเราอยู่คราวญาอย่างนี้เป็ น, ปนพระเจ้าแผ่นดินอยู่อย่างนี้ การงานของเรามีอย่างเยอะแยะเดออีลยวกับ ง, งานหลวงเดี๋ยว่ังานลาดเดี๋ยว่ับงานอะไรต่อมิอะไรมากมายที่เราจะต้องได้คิดจะต้องปรับปรุงแก้ไขเพราะท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินถ้าว่าพวกเราหนีไปบวชอย่างสมณะที่นั่งอยู่ที่โคลนต้นไม้องเดียว น, ะนั่งหลับตานิ่งกำหนดอยู่เนี่ยเราคงจะสแสวงหาทางพ้นทุกข์ได้ที่เราจะไม่มาเออ เจ็บมาแก่มามาแกมาเจ็บมาตายคงจะมีช่องทางนี่พระพุทธเจ้าท่านท่านท่านคิดอย่างนั้นท่านจึงได้วางแผนหนีออกไปบวชไปกนาช น, น, นะกลางคืนหนีออกไปบวชอยู่ในป่าแม่น้ําอโนมาณทีใกล้กรุงราชคือนะจากนั้นท่านก็ปงพระเกศาเส ร, รศ็จแล้วนะครับทรงเครื่องผ้ากาสาวพัด ท่านกระบำเพ็ญที่ตั้งหกปีนะนี่แหละหลวงพ่อพูดแล้วพูดอีกเพราะเหตุไรคณะัตฐานญาติโยมลูกหลานทั้งหลายว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทำอย่างไรท่านคิดอย่างไรถึงตั้งออกไปบวชในขณะที่ท่านไปอยู่ในป่าลมฟงไฟนั้นท่านทดสอบทดลองในการประพุทธปฏิบัติบําเพ็ญของพระองค์อดภักกายหาัน อ, อ, อะไรต่อมิอะไรมากมายอดภักกายหารทั้งสี่ิบเก้าวันนั้นคือครั้งยิ่งใหญ่นะ ถ้าใครจะอวดก็คงจะไม่มากกว่านั้นท่านว่างกันนะอแต่ท่านนอกกว่านั้นท่านฉั้นพวกเนยพวกลูกกระเบาลูกอะไรมีมากมายถ้าพวกเราได้ศึกษาสรุปแล้วก็คือพดลอง์ทดลองดูว่าลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดท่านทรมานกายของท่านแต่ถึงร่างกายมันผอมขนาดไหนแต่จิตใจก็ยังมีราคะโทสะโมหะอยูออ่มันมีอยู่ในใจท่านว่าการทรมานกายไม่ถูก แต่มันก็เกี่ยวเนื่องกันกายกับใจใอาศัยกันแต่ว่าเร า, เาต้องทรมานใจจากนั้นพระ อ, องค์จึงนั่งสมาธิในวันเดือน6กเพลนนะอันนี้พูดอย่างรวรัดให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาตอนหัวค่ำพระองค์นั่งคัดสมาธิทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้าออกฟังดูนวะว่าสติเฉพาะหน้ามีสติในการนั่งสมาธิเนีย่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่า ถ้าว่านั่งสมาธิจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจคิดปรุงฟงสั่นอันนั้นไม่ใช่นั่งสมาธิท gravit? นะนั่งคิดนั่งปรุงนั่งแต่งไม่ใช่นั่งสมาธิถ้าว่าจิตใจอยู่กับตัวเองจิตใจมีสติสัมปชัญญะถึงจะเดินก็เดินสมาธิ ถ, swag, ถ, ถึงจะนั่งก็นั่งเป็นสมาธิถึงจะนอนนอนไม่หลับนก็เป็นสมาธิถึงจะยืนก็ยืนเป็นสมาธิ แต่ถ้าหากว่าเราไม่มีสติสัมปชัญญะถึงจะยืนเดินนั่งนอนก็เป็นยืนนั่งนอนปุ่งฟงซ่านนะไม่ใช่สมาธิเพราะนั้นให้พวกเราให้คิดตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าสมาธินั่นคือมีสติสัมปชัญญะพระพุทธเจ้าในวันเดือนหกเพ็ญที่แดนท่านได้ตรัสรู้ท่านก็กาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่หล อันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจา้าหลวงปู่มั่นของเราท่านก็นแนะนำสั่งสอนถ้าเป็นสายหลวงปู่มั่นะท่านบอกให้ภาวนากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละกรรมฐานหลักแต่หลวงปู่มั่นเพิ่มเขาอีกว่าหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทให้มีสัมปชติสัมปัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกในในเวลากาหนดลม อย่าไปตามลมเข้าไปในท้องและอย่าไปตามลมออกไปให้ยืนเหมือนกับเรายืนอยู่ข้างประตูอย่างนั้นคนผ่านมากมาเข้ามาเราก็รู้ว่าคนผ่านเข้ามาโลกคนผ่านออกไปเราก็รู้ว่าคนผ่านออกไปไม่ต้องตามลมไม่ต้องตามคนออกไปแล้วก็ไม่ต้องตามคนเข้ามาเพียงแต่รู้ว่าคนผ่านเข้ามาว่าคนเข้าคนผ่านออกไปว่าคนออกนี่แหละให้มีสติสัมปชัญญะ ในลมหายใจเข้าหายใจออกเพียงเท่านี้แหละให้หมดให้นิ่งให้มันอยู่จิตใจของเราจะเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตใจไม่ฟุง้งไม่ฟุง้งไม่สานไปทางอื่นแล้วจิตไม่หิวไม่ห้ยแล้วจิตเข้าสู่ความสงบจิตจิตเป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วอพอพระองค์ท่านบอเกิดยานธัชนะเกิดฌานนะเกิดยานเกิดญาณธัชนะพอเกิดฌานขึ้นมาแล้วพระ อ, องค์น้อมจิต น้อมพระไทยขององค์ละลึกชาติผลหลังได้นี่แหละอันนี้พวกเราก็ให้ฟังเอาไว้ว่าในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วตายแล้วไม่สูญพูดอย่างนั้นถ้าตายแล้วสูญจะละลึกชาติผลหลังได้อย่างไรนี่พระพุทธเจ้าท่านบอกตายแล้วไม่สูญละลึกชาติผลหลังได้ชาติที่แล้วคืออะไรชาติก่อนๆเป็นไงท่านล้ำลึกชาติเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนชาตินี่แหละอันนี้ว่าปุเพนิวาสานุิสติยา พยานของพระองค์เป็นยาที่ละเอียดอ่อนเป็นยาที่ใหญ่ถ้าเป็นวิทยุก็คลื่นอ่ากับคลื่นได้ดีมากเพราะงั้นวิทยุของเราเนี่ยน ะ, ะบางทีก็วิทยุราคาถูกใช่ไหมเราไปจับคลื่นได้ใกล้ๆไม่กี่คลื่นนะแต่วิทยุดีๆราคาแพงๆของเขาเนะ่ยเขาจะจับคลื่นในทั่วโลกฮ ะ, ะใครพูดที่ไหนเขาจะจับได้หมดมาประมวลได้หมดเพราะเหตุใไเพราะคลื่นเขาดีนี้ก็เหมือนกัน ญานรัศนะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นครื่นที่ใหญ่สมบูรณ์แบบที่สุดเพราะพระพุทธเจ้าได้สั่งสมบารมีมาอ่ามากมายสีอสงมัยอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเพราะนั้นญาณทัศฐนะของพระโอเดกว้างขวางระลึกชาติผลหลังได้อ่าจึงว่าตายแล้วไม่สูงตายแล้วเกิดอีกบาปคุณคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงอ่าถ้าใครทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วตายอกจากตกอกจากชาตินี้แล้ว ออกจากที่นี่แล้วอจะไปที่ไหนพระพุทองค์ก็รู้นพอถึงเที่ยงคืนเป็นพระองค์ก็รู้เลย ว, ว่าตายแล้วไม่สูญพระองค์ก็กําหนดติดของพระองค์เข้าสู่ความสงบให้นิ่งเข้าไปอีกระลึกชาติผลหลังอัแล้วดูอะไรว่าจุตูปะปะาทยานการจุติของสัตว์มาจากที่นี่มาจากที่ไหนอย่างพระองค์ก็รู้ได้ ว, ว่าเรามาจากที่ไหนมาเกิดเป็นสิทธาธิษฐท่านว่ามาจากสวรรค์อ่ะ มาจากสวรนชั้นดุสิษย์กำกำลังจะขึ้นไปอยู่ชั้นอืน่นเทวบุตรเนี่ยการภาถนาท่านลงมามาเกิดเนีมาเกิดที่เมืองกบิลพัทเนีนามสิริมหาม า, ายาพระเจ้าจิตรโทธนะเนี่ยนี่แหละท่านก็รู้ได้ใ น, ในเราจุตูปปาตยานแล้วบุญบา ร, รมีของท่านมาที่ไหนท่านทําอะไรไว้ในอดีตท่านจึงได้มาเกิดที่นี่บุญอะไรของท่านพระองค์ก็รู้ได้หมดว่าเออบุญกุศล แต่บาปวุคุสนี่มีไหมีมพระองค์บอกบาปวุคุศลก็มีในอดีตที่ท่านได้มาได้สวยในการบาปกลัมที่บาปกลัมของท่านก็มีเหมือนกันแต่นี้ต่อไปในอนาคตเป็นยังไงพระองค์บอกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วเราจะไม่เกิดเกิดอีกแล้วสิ่งที่จะพาให้เราเกิดนั่นเราชําระทําให้แจ้งแล้ว ทำให้เชื้อดับไปหมดแล้วที่จะทําให้เกิดเนี่ยชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายแล้วเนี่ยแต่คนอื่นล่จะจ๊ะคนอื่นมาเกิดมาจากไหนมาเกิดมาที่นี่แล้วจะเข้าไปจะไปที่ไหนพระองค์รู้หมดว่าวิญญาณดวงนี้ใจดวงนี้ใจของคนคนนั้นทําไมจะมาเกิดที่นี่เขามีบุญอะไรแหมอย่างที่คนร่ํารวยขึ้นมาทํามาค่าขายถูกช่องถูกทางพระพุทธองค์บอกว่าในอดีตชาติของเขาเขาได้ทําบุญกับพระปฏิเจตได้ทําบุญกับพระอรหรันต์ ได้ทําบุญกุศลไว้เขาจึงมีบุญจากนี้จะนมาเกิดที่นี่แต่ว่าถ้าเมื่อเขาไม่ได้สัสมไม่ได้ทําต่อเหมือนกับเราทําไร่ทํานาถ้าเราไม่ได้ทําต่อปีนี้อีกสองสามปีข้าวนาที่กินมาหลายๆปีมันหมดได้เหมือนกันะบุญนี่หมดได้นะบาปก็หมดได้อทําไมบาปยังหมดเพราะว่าเราใช้กรรมใช้ไปใช้บาเหมือนกับหมดนะเหมือนกับเราเข้าไปติดโคกอย่างนั้น คนไปทําความชั่วหลายๆอย่างนะพอเข้าคุกไปใช้เดือนนั้นปีนั้นปีนั้ น, น, นพ้นสุดก็พ้นคุกยาติได้อันนี้ก็เหมือนกันคนทําคุณงามความดีก็เหมือนกันหมดได้เหมือนกันบาปก็หมดได้บุญก็หมดได้เพราะนั้นท่านจึงให้สั่งสมบุญกุศลอย่าตั้งอยู่ในความความประมาทเหมือนกับเราทานอาหารเราก็ต้องสะแสวงหาเพื่อเลี้ยงชีพของเรานี้ก็เหมือนกัน พระพระเจ้ า, าวจูต่ตูปะ ป, ะปะาแตยานการจุดติของสรพสัตทั้งหลายเป็นมาอย่างไรและจะเป็นไปอย่างไรพระองค์ก็รู้หมดแนวทางวิถีของจิตใจของสรพสัตทั้งหลายนี่แหละจูตูปะ ป, ะปะาแตยานอาสาวัคยาญาณทําไมจิตตรงนี้ใจตรงนี้ทําไมจึงมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเหมือนกับโลกงลกรอกรรมเกวียนไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้เพราะอะไรพระพองค์ขอพิจารณาไตรตรองด้วยเหตุและผลเถิด ด้วยสินสมาธิปัญญาของพระองค์ผลที่สุดพระองค์ประชมละใจของพระองค์ด้วยตปะธรรมคือศินสมาธิปัญญากิเลสราคะโทสะโมหะก็กระเด็นกระดอนออกใจจากใจของพระองค์ใจของพระองค์ก็เป็นใจที่บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะเป็นธรรมธาตุเป็นธรรมแท้เป็นธรรมธาตุเป็นธาตุของธรรมเหนือกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเหนือกว่าสมมต ทั้งหลายทั้งปวงเนี่แหละพระองค์รู้เลยว่านี่แหละอาสาวะข้ยญาติญาณย่างรู้ว่าพราะองค์หมดกิเลสแล้วสิ่งที่จะทําพาให้เกิดเนวัตะสงสารเรากําจัดออกหมดแล้วเชื้อที่จะทําให้เกิดนั้นเราถอดถอนออกหมดแล้วกําจัดออกหมดแล้วจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วนี่แหละนิพพานังปรามังสุขขังนิพพานังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง นิพพานนางปรามังสุญยงนิพพานศูนย์ศูนย์อะไรศูญญ์เชื้อเชื้อที่จะทําให้เกิดทั้นพระพุทธองค์จาจัดออกแล้วอออกจากใจพระไทัยของพระองค์แล้วท่านจึงว่าไม่มีกิเลสตัวไหนที่จะมารบกวนใจของพระองค์ได้อีกมาลบกวนพระไทยของพระองค์ได้อีกเมื่อไม่มีกิเลสเข้ามารบกวนมากเข้ามาถึงได้ใจขององค์ก็เป็นผู้บริจุดมีธรรมโยนิจจัยเพราะนั้นทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า มีที่สิ้นสุดถ้าว่าพวกเราได้นํามาประพฤติปฏิบัติแล้วขนพายนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายเกิดมานะได้พบพระพุทธศาสนาเกิดมาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์เกิดมาพบปฏิปทาของหลวงปู่มั่นปฏิปทาของหลวงปู่ต่างๆที่พวกเราได้นํามาประพฤติปฏิบัตินับว่าพวกเราเป็นผู้โชคดีนะหลวงพ่อว่าโชคดีอย่างมากแต่ถ้าว่าพวกเรา เกิดมาพบก็จริงอยู่แต่พวกเราไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สั่งสมบุญกุศลเกิดมากับเปล่าประโยชน์เผลอมาเผลอๆยังเกิดขึ้นมาแล้วยังดูถูกเหยียดหยามทําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์อีกยิ่งเป็นบาปเป็นกรรมต่อตอนเองอีกอันนั้นแปลว่าเกิดมาเกิดมาเปล่าประโยชน์นะเกิดมาแล้วไม่ได้ทําคุณประโยชน์แล้วยังเปล่าประโยชน์อีกนะเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลาย ถือด้วยซี้ว่าดูด้วยว่านี่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่ยกระดูกของท่านจะยังแตกแตกต่างกว่าพวกคนทั้งหลายกระดูกของท่านเป็นพระธาตุให้พวกเราได้รู้ได้เห็นอยู่นี่แนหะคือกร ะ, กระดูกของพระอรหรันต์คาว่าพระอรหันต์คำนี้นี่ยคืออะไรเป็นพระอรหันต์ใจของท่านเป็นพระอรหันต์ใจของท่านเป็นพระพุทธญาติไม่ใช่ว่าร่างกายนะร่างกายคือเป็นผลพลอยได้นะ เป็นผลพลอยได้แถวว่าใจของพระพุทธเจ้าเป็นได้แต่จรู้ธรรมได้เป็นพระพุทธเจ้าร่างกายก็เป็นพระพุทธเจ้าบริขารก็เป็นพระพุทธเจ้าวัดก็เป็นเป็นวัดของพระพุทธเจ้าพุทธบริษัทสี่ก็เป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าเพราะใหุ้ไรเพใจของพระพุทธเจ้าเป็นใจอันบริสุทธิ์นี่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เราก็เหมือนกันถ้าท่านผู้ใดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปเป็นพระอรหันเนี่ย ร่างกายของท่านก็เป็นพระอรหันด้วยตาหูจมูกเลี้ยงกายของท่านเป็นกายพระอรหันเมลิฐานของใช้ของท่านก็เป็นบริหารของพระอรหันวัดวาสนาของท่านก็เป็นวัดวาสนาพระอรหันชัททายาตโยมที่มาเกี่ยวข้องก็เป็นชัททายาตโยมของพระอรหันเพราะเหตุไรเพราะท่านทำใจของท่านเป็นให้เป็นพระอรหันทำใจของท่านบริสุทธิ์ผุดผ่องเพราะนั้นอันไหนคือมือ สิ่งที่บริสุทธิ์คือใจสรุปแล้วคือใจแต่ทีนี้อย่างพุทธบริษัทของเราเราจะพิจารณาอย่างไรแนวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสัมสอนท่านบอกว่าให้พวกเราพระพุทธเจ้าก็คือท่านนั่งสมาธิอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวนั่งสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกด้วยสติสัมปชัญญะอย่างนั้นจิตของพวงเข้าสู่ความสงบ และจากนั้นก็เกิดญาณทัศนะอันนั้นคือพุทธะแต่ที่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือสาวกนี่ยสาวกะผู้สดับเนี่ยแปกแตกต่างกันเลยพระพุทธเจ้าท่านสอนไวลากหลายเลยทีนี้เอควรจะกําหนดกรรมาฐานอะไรบ้างบางทีก็พระสงฆ์ที่เข้ามาศึกษา อ, อบางทีสาวกท่านก็สอนก็เข้าใจได้แต่บางองค์สาวกสอนอเท่าไหร่ทำไม่เข้าใจ ยนเป็นหน้าที่ของพระพุทธของพระพุทธเจ้าเป็นผู้แนะนําสั่งสอนสาวกท่านนั้นจึงได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลอันนั้นเพราะคนนี้ไม่ใช่หน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายจะสั่งสอนนะอันนี้คือเป็นเรื่องของพุทธพระพุทธเจ้าอย่างเราเป็นผู้สอนเขาจึงจะเข้าใจอย่างนี้ก็มีในพระไตรปิฎกเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าจึงกําหนดให้กรรมฐานไว้40อย่างให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษานะ กรรมฐานสี่สิบอย่างพวกเราได้ศึกษากับพุทธานุสติพุท โ, ททโทธทุกโธธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติจาคานุสติจงเป็นจนถึงอุ ป, อปสมานุสติคือกรรมอนุสตนะิเสิบจากนั้นก็กระสินสิบอีกอันนี้คือพอประมาณเท่านั้นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าวางเอาไวา้พอประมาณสี่สอย่างให้เป็นตัวอย่างแต่กรรมฐานที่แท้จริง ถูกกับจริตของผู้คนนั้นอีกมากกว่านั้นเพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าให้ภาวนาเนอะให้กําหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเมื่อจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งสงบพอสมควรแล้วให้นํามาพิจารณาะ ไ, ไม่ใช่ให้สงบอย่างเดียวนะักสงบนั้นคือสมถัทธอแล้วก็ให้พิจารณาคือที่ปัจสนา สมมติคือจิตทําจิตใจให้สงบวิปัชนานั่นคือให้ไตรตรองเหตุและผลเมื่อจิตไม่สงบจิตของเราถ้าว่าเราภาวนาเลยเราทำไม่ทําจิตให้สงบเราคิดเลยนํามาคิดนํามาพิจารณาอันนั้นโดยมากจะเป็นสัญญาสังขารจะมากกว่านะว่าแต่ถ้าว่าเราทําจิตให้สงบเป็นพื้นฐานก่กอนแต่ศรัทธาญาติโยมบางคนได้ยินพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกว่า อเมื่อจิตสงบแล้วจะติดในสมาธิอันนี้ก็กลัวอีกเหมือนกันหลวงพ่อว่านั้นกลัวอย่างนั้นมันไม่ถูกนะแต่พ่อใหญ่จึงว่าไม่ถูกเหมือนกับว่าเออถ้าเป็นเศรษฐีแล้วนะ่ะจะติดในเงินในทองนะไปที่ไหนไม่ได้นะติดในสมบัตินะไปที่ไหนไม่ได้นะถ้าเป็นเศรษฐีพวกเราก็เลยกลัวกลัวอยางกลัวกลัวเศรษฐีเพราะงั้นแต่ไม่อยากจะได้มีเงินคำทรัพย์สมบัติเพราะอะไรเพราะกลัวเศรษฐี แต่ตามไม่จริงหลวงพ่อว่าเอาเถนะทดลอบดูสิเป็นเศรษฐีดูสิอถ้าเราได้เรียนรู้แล้วนะ่ะ เ, เราจะไปติดมันมันทำํำไมเงินกระสมบัติภายนอกเรา เ, าเอาไปด้วยไม่ได้สักอย่างอีกสักวันเราจะต้องทิ้งเอมีเงินมากกว่าเดิมมันจะได้ใช้ประโยชน์อช่วยเผื่อแผ่เก็บแก่ใครก็ได้เมื่อเรามีเงินแต่ เ, เราไม่ติดมันชิ่อย่างเดียวเท่านั้นนะถ้าเรารู้เออ เงินนี่นคืออะไรเอาไว้ใช้อะไรเป็นปัจจัยสี่สำหรับเครื่องอำนวยความสะดวก เ, เพียงแค่นี้เราก็พอแล้วนี่ก็เหมือนกันสมาธิเนี่ยเรานั่งสมาธิจิตใ จ, ใจเข้าสู่ความสงบจิตใจไม่หิวไม่หยไม่กระวลก歪จิตใจไม่ปรุงไม่ฟุ้งไม่สานเมื่อจิตใจไม่ฟุ้งสานแล้วแคนี้เราเอาจิตที่มันนิ่งบังคับให้มันออกมาพิจารณาพิจารณาอะไรพิจารณาร่างกาย ใร่างกายเกสาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังจากนั้นไล่เข้าไปมังสางเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหมหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าจนถึง อ, อ, อวัยวะในตัวของเรามีอะไรบ้างมีเลือดมออีอุจจาระปัสสาวะในร่างกายของเราร่างกายของเราเ น, นี่ย มันมีอย่างนี้จริงไหมนีอันนี้คือให้พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงนะสิคือทำคําสอนของพระพุทธเจ้าให้เห็นตามความจริงเห็นร่างกายสังขารว่าเป็นของไม่เที่ยงแท้นอนไปเห็นตามความจริงจากนั้นก็กําหนดดูสิว่ากระดูกของเราเป็นอย่างไงร่างกายนี้เป็นอยู่ได้เพราะกระดูกเป็นโครงสร้างข้างในใช่ไหมเนีกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกแขนกระดูกขากระดูกชี้โครงกระดูกชั้นหลัง กระดูกแข่งกระดูกขาลงไปถ้าไม่มีกระดูกเป็นยังไงถ้าไม่มีกระดูกมีแต่หนังพุ่มเนื้ออยู่มันก็ฟุบมันเหมือนกระเป๋านะ่ะกระเป๋าใส่ของเองมีหนังพุ่มอยู่อย่างนั้นแหะแต่นี่ที่มันเป็นโครงขึ้นมานี่เพราะกระดูกอยู่ข้างในนี่แหละร่างกายสังขารเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงนะให้เห็นตามความเป็นจริงนะใจนะคือสรุปแล้วก็คือให้พิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเรา ทำไมจึงว่าไม่ใช่ตัวตนของเราในหลักของพุทธศาสนาท่านบอกว่าร่างกายหนึ่งเป็นรูปธปรรมรูปธปรรมคือร่างกายนามธรรมคือจิตใจจิตใจคือพวกเราพวกเรานึกคิดตัวนึกคิดนั่นแนหะแต่ตัวรู้รู้นั่นแนะตัวนั้นแหละพราะพระพุทธเจ้าให้ความสนใจความรู้รตัวรู้ ร, รจุดนั้นแนหะเป็นเรื่องใหญ่ท่านจึงยกเป็นพระบาลีขึ้นมาว่ามาโนปุพังขามาธรรมามโนเสถามโนมายา เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสาเร็จแล้ว้วยใจเพราะนั้นในร่างกายของเราพวกเรานั่งอยู่ด้วยกันทุกคนนี่มีใจกับกายกายที่มองกันเห็นกันอยู่นี่คือรูปประธรรมแต่ส่วนที่นามรธรรมนันคือจิตใจคือตัวนึกคิดตัวนั้นแหละพระพุทธเจ้าให้ความสนใจอย่างมากให้ความสนใจกว่าร่างกายส่วนร่างกายนั้นรูปร่างกลางตัวเป็นยางไงมันก็ตกแต่งได้ไม่มาก แต่ส่วนจิตใจเนี่ยถ้าเราศึกษาค้นฟ้าแล้วก็ปฏิบัติสิ่งปฏิบัติธรรมรู้แจ้งเห็นจริงทําให้ผู้รู้หรือใจดวงนั้นน่ะสำเร็จเป็นพระพุทธเจา้าเป็นพระราหันสาวกเป็นพระโสดาพระสกทาคานาค า, า, ารหันเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบได้สอนได้อบรมได้จิตใจ ด, ดวงนั้นแต่ร่างกายนีย่ถึงจะมีขึ้นมาแล้วถึงจะเลี้ยนดูปูเสือดีขนาดไหนก็เถอะ เออกินอาหารครบหมูห้าขนาดไหนก็เถอะเออดูแลบำรุงรักษาดีขนาดไหนก็เถอะร่างกายนี่ก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอเออต่อไปก็แก่แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายเออตายแล้วก็แทนเอาไปเผาไฟทิ้งแต่ส่วนจิตใจตัวนามธรรมนั้ไม่ตายออกจากร่างนี้ไปปฏิชนที่ไปหาเกิดอางได้ถ้าเราทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็จะพานำดวงวิญญาณในใจของเราไปสู่ทุกขติ แต่ถ้าเราทํากรรมดีเราทําบุญกุศลบุญกุศลก็จะพาพวกเก่าใจของเราเนี่ยไปสู่สุขติตามขั้นภูมิต่อไปเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสน า, าทําคําสอนของพระพุทธญาณท่านเน้นหนักเรื่องของใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าจากนั้นท่านกา็ให้พิจารณาร่างกายว่าร่างกายสังขารร่างกายของเราตั้งแต่หวัวจุดเท้าเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเนอนะ้อใจเนื้์อย่าหลงอย่าหลงนะอย่าลืมนะ อีกสักวันหนึ่งตายแน่ๆ น, นะเขาเอาไปเผาไฟทิ้งแน่ๆ น, นะไปเผาแล้วมีแต่กันดูกนะอย่าหลงนะใจนะอันนี้พระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณาอย่าหลงร่างกายเมื่อพิจารณาไม่หลงร่างกายแล้วถ้าไม่หลงร่างกายจะไม่หลงการเป็นอยู่ของตอนเองไม่หลงทรัพย์สมบัติไม่หล ง, หลงผู้ที่มาเกี่ยวข้องสามีภรรยาบริษัทบริวาร วัดวาศาสนาก็ไม่หลงทั้งนั้นเพราะเหตุไรเพราะเรารู้เลยว่าขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราจะไปลุ่มหลงกับสิ่งเหล่านั้นมันไม่ถูกนะแต่ทำยังไงหลวงเขาถามเอา้าทำยังไงถ้าเร า, เาไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายเป็นตัวตนของเราเราจะปล่อยวางได้ยังไงใช่ที่หลวงพ่อเองเนี่ยพูดได้ ว่าร่างกายสมสังขารวัดปาศาสนาไม่ใช่ของหลวงโ่อีนทุกพ่ออินผู้ใดแต่พวกเราเป็นฆราวาสญาติโยมเราจะไปปล่อยวางอย่างนั้นได้ยังไงะอันนี้พวกเราโคงจะเถียงในใจแต่ตามไม่จริงให้พวกเราคิดเลยเสมอว่าเวลาทางนอกเราก็ทํางานอย่างเต็มที่เรามีหน้าที่อะไรเราเป็นครูบาอาจารย์เราก็ทําหน้าที่ครูบาอาจารย์ให้เต็มที่เราเป็นเท่าแกแล้วก็ทําหน้าที่ให้เท่าแกให้เต็มที่ เราเป็นพ่อบ้านเราเป็นแม่บ้านเราเป็นสมทานวัดเราก็ทําให้เต็มที่อย่าให้ขาดตกบกพร่องในสิ่งไหนที่เต็มที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายบ้านเมืองถูกศจรธรรมจะได้ยธรรมถูกโลกสมมุติที่เขายอมรับกันเราพยายามทําเต็มที่แต่เมื่อทําเต็มที่แล้วก็เถอะนะเวลาเรานั่งภาวนาหรือเรากําหนดนั่งภาวนาอยู่ตามลําพังเราค่อคิดว่าเออข้าไปเจ้านะ ถึงข้าพเจ้าจะทำดีขนาดไหนก็เถอะนะอีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องทิ้งทั้งหมดเอาไปด้วยไม่ได้สักอย่างนะใจนะเออ น, เนั่นแหละนคือความปล่อยวางปล่อยวางในใจถ้าเราคิดได้อย่างนั้นแล้วมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอุณหภูมิในจิตใจของเรามันก็จะไม่สูงเกินไปนะมันจะไม่เสียอกเสียใจมันจะไม่ร้องโ h ร้องไห้เี่เพราะเราคิดไปก่อนแล้ว ถึงข่าวตายถึงวรณาภัยก็ามาถึงเออถึงข่าวเราเลอะเลอะเดอเราเห็นแต่คนอื่นแต่บัตรยี้มาถึงข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็พร้อมที่จะไปเหมือนกันไม่แพ้ใครอื่นเหมือนกันแต่คุณงามความดีข้าพเจ้าได้เตรียมพร้อมไว้เลยอย่างนี่นแหละจุดนี้สําคัญมากนะพี่ถ้าเราไม่ได้เตรียมคุณงามความดีไม่ได้สร้างสั่งสมบุญกุศลไว้นะมันว้าเหวีอ้างว่างเงียบเขาเศร้าซึมแล้วทีเออ่เขาแนะนําอะไรทํามดสั่งนั่นจ้ะ เขาแนะนําให้กินขี้หมาก็กินในจวนที่มันจะตายวันนั้มันกลัวตายแต่ถึงจะกินขี้หมากแตะมันก็ไม่พ้นอีกเหมือนกันเพราะฉนั้นให้พวกเราคิดไว้ก่อนก่อนถึงจุดนั้นสังสมขุนงามความดีเอาไว้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทเพราะนั้นขอให้พวกเราพุทธศาสนิกชนลูกจิตลูกหาลวงปู่ของเรานะให้ช่วยกันให้พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าว เบื้องต้นหลวงพ่อได้ยกเป็นพระบาลีขึ้นมาว่าปูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตตมังย่อเป็นบาลีขึ้นมาความแปลและความหมายก็บอกว่าพวกเราได้มาร่วมกันทําบุญในวันนี้มาเคารพองหลวงปู่หลวงปู่เป็นบุคคลที่ควรบูชาปูชาจะปูชนียานังเป็นบุคคลที่ควรบูชาเอตมังคารมุตตมัง เป็นมงคลอันอุดมที่พวกเราได้เคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่แหละอันนี้ก็คืออย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวว่าหลวงปู่ล่ยเป็นบุพาจการฝ่ายธรรมะเป็นผู้แนะนําสั่งสอนฝ่ายธรรมะแนะนําเรื่องศีลธรรมให้แก่พวกเราอย่างนั้นไม่ถูกน้าอย่างนี้ไม่ควรน้ลูกหลานน้การพนันไม่ดีนะ้าหลวงปู่เป็นผู้แนะนําเป็น เป็นบุคพาจารทงฝ่ายธรรมะนี่เลยว่า เ, เป็นผู้แนะนำสั่งสอนแก่ลูกหลานเพราะนั้นพวกเราได้มาศึกษาหลว ง, งปู่ได้แนะนำสั่งสอนพวกเราท่านจึงเป็นบุคคลที่ควรบูชาสำหรับพวกลูกหลานถ้าพวกเราบูชาแนะนำสั่งสอนและน ำ, ำคำคาสั่งสอนของหลวงปู่มาประพฤติปฏิบัติํำระ มาดูมาตรวจตาดูกายว่าจาใจของพวกเราแล้วพวกเราจะมีแต่ความสงบพร่มเย็นเป็นจุกอยู่นัสถานที่ใดไปนัสถานที่ใดก็มีแต่ความพร้อมเพียงสมัครีมีแต่ความพอดี อ, อย่างเป็นพระ อ, อย่างที่หลวงพ่อพูดเข้าไปเจ้ากราบเข้าไปเจ้าใดไหมให้ถามตัวเอง เ, อเป็นข้าราชการก็เหมือนกันทำงานอย่างนี้ ถ้าเป็นเราเป็นเจ้าของเงินเราจะกล้าจ้างเราไหมอันนี้ก็ให้ถามเมื่อเป็นฆราวาสญาติโยมทุกหมู่เหล่าก็ให้ถามว่าเมื่อข้าพเจ้าทําอย่างนี้เป็นที่ยอมรับของลูกของหลานของพ่อของแม่ของวงศาคันาญาติไหมเนี่ยอันนี้เราก็ให้ถามตัวเองฮะแต่พวกเราพยายามถามตนเองอยู่ยในนั้นอยู่เสมอนะความพอดีก็จะเกิดขึ้นในชุมชนสังคมของพวกเราความสงบร่อมเย็นเป็นจุกก็จะเกิดขึ้น แต่ถ้าหว่าพวกเรามีแต่ชี้ให้คนอื่นคนนั้นอาจจะทําคนดีคนนั้นอาจจะเป็นอย่างงงคนนีน้อาจจะเป็นอย่างนี้ไม่มีความยุ่งเหยิงวุ่นวายข้าพเจ้าเป็นอย่างไงไม่มีใครดูตัวของข้าพเจ้าอันนี้เดือดร้อนวุ่นวายแน่นะด้วยอํานาจคุณมทัะะนศน์ศรัตนตรา ย, รยาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองบุญบา ร, รมีของหลวงปู่ของเราคุ้มครองคณะศิษยานุศิษย์ลูกหลานทุกคน ขอให้มีความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกประการเทิน